เอาขนสัตว์มาผ่าตั้งร้อยสวนเนี่ยนะแล้วเอามาจับมาชนกันดูเนี่ยนะมันยากไหมล่ะเอาเข็มปลายเข็มชนปลายเข็มดูเนี่ยมันชนกันง่ายไหมมันยากอย่างนั้นอ่ะนะเราพยายามสําหรับตัวเราเองเนี่ยนะคือสําหรับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเพื่อจะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตยาน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 ยังรู้ได้ยากถึงเพียงนี้มหาชนชาวโลกจะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะนั้นได้อย่างไรพอๆกับการเผยแพร่นในยุคนี้เนี่ยนะโอ้ชวนกันอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากอย่างนั้นแหละนะเพราะอะไรเพราะเขาโปรโยสุลีพระไตรปิฎกมันยากมันไม่รู้เรื่องออธิบายจนไม่ได้อ่านอ่ะนะไอคนล่างๆมาบอกไอคนที่ว่ายากเ น, นีถามจริงเคยอ่านไหมบอกไม่เคยนะนะบอกเขาอ่านเล่มไหนเขาอ่านเล่มที่มันยากพอดีเลยเหรอนะ่ เขาอ่านเล่มที่เขาคิดว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องจะได้อธิบายได้ในวันหลังว่าเออมันยากจริงๆอนะอ่านเล่มที่รู้เรื่องมีตังเยอะ ag, laser, แยะก็ไม่อ่านไปอ่านในเล่มที่ไม่ยากคือหาเหตุผลนะนะคนไม่มีศรัทธาอย่างว่านะฟังธรรมไหมบอกไม่มีเวลาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างอ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ที่คนไม่เขาไม่ฟังธรรมเป็นต้นเลยนะอย่าคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรมากมายมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เราอะไรหรอกไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีที่ติดประชุมสภาอะไรที่มันจําเป็นขาดเข้าไม่ได้อย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนนะนะ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 อีกเหตุอันนี้เป็นเหตุผลเบื้องต้นเนี่ยนะที่พระองค์ไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมเนนะน้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมก็มาเคยไปอยู่ที่หนึ่งไอ้โยมคนนั้นเขาพูดตรงตัวนะเขาบอกว่าผมจะลองมาฟังดูก่อนถ้าท่านพูดดีผมก็จะมาฟังอีกเหมือนกันถ้าท่านพูดไม่ถูกใจผมก็คงไม่มาไอ้จริงๆมันก็พอแบ่งเวลามาได้จริงผมบอกตรงๆเลยเหมือนกันบอกเอออย่างนี้เข่าท่าน่าคุยกันหน่อยนะ บอกมันไม่ค่อยมีเวลาอ่างธุระมันจําเป็นบอกโอ้ยอย่าพูดเลยพมาไม่เชื่อหรอกเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่าจําเป็นนะเขาบอกว่าโลกเนี่ยมันจําเป็นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่เราว่ามันจําเป็นเนี่ยนะถ้าเทียบว่าอะไรมีราคากว่ากันก็คือมันก็แยกว่าอะไรคือสาระของเขาอะบางคนนี่ก็อย่างที่ว่าอะไรนะอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าถ้าคนที่เห็นว่าพระรัตนไตรัยเป็นสาระเป็นสาระเนี่ยนะอุ้ยเขาทิ้งราชวังไปเลยเนี่ยนะ อย่างพระเจ้าอะไรพระเจ้ากับปินะเนี่ยนะพอได้ฟังขา่าวว่าพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกบอกเออเอาไปเลยแล้วก็ยกสมบัติบ้านเมืองให้มเมฮสีไปหมดเลยไปหาพระรัตนตรัยดีกว่านั่นนะก็ไปแล้วคือคือก็แล้วแต่ว่าใครเห็นว่าอะไรเป็นสาระเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยจกกักพัฒสมบัติกับสัพพัญญุตยานท่านว่าอะไรเป็น สาระซึ่งพ่อเนี่ยกันเต็มที่เลยต้องการให้ลูกได้จักระพัฒส ม, มัติแล้วแต่ใครว่าเห็นว่าอะไรเป็นสาระถือว่าอะไรเป็นสาระเนี่ยนะถ้าถือกรรมคุณเป็นสาระก็จะได้กามคุณถ้าถือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นสาระก็ได้ศีลสมาธิปัญญาถ้าถือคำสอนว่าเป็นสาระก็จะได้อยู่กับคำสอนแล้วแต่เราปันใจให้สิ่งใดเราก็จะมี สิ่งนั้นเนี่ยนะพ้องก็แล้วแต่ทั้งถ้ามีสิ่งใดทีนี้เราก็มาทบทวนว่าสิ่งนั้นที่เรามีแล้วดีจริงหรือเป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกขโทมาัะหรือหรือเป็นไปเพื่อพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมาัะและอุปายะก็จํำเนกแยกแยะค้นควาหาสาระและมิใช่สาระเป็นต้นเนี่ยนะก็ค้นเอาเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าเออบางค น, นก็บอกว่ากลัวเข้าว่าเอาเนี่ยนะ นีใครว่าพระพุทธเจ้าว่าเออมันน่กคิดถ้าภาษาสดาของเราว่าตําหนินะเออถ้ายัางนี้ค่อยคิดกลัวใครกลัวขี้เมาว่าเอาอย่างไงนะโอ๊ยทําเป็นเกรงใจขี้เมาขี้เหล่าเมายากเกรงใจคนบ่นเป็นต้นโอ้ยทําไมขี้เกรงใจขนาดนั้นเนี่ยนะก็มาเคยนึกในใจนะโอ้ยเราเคยเกรงใจบางท่านนะโอ๊ยถ้าเราเกรงใจพระพุทธเจ้าขนาดนี้บรรลุตั้งนานแล้วเนี่ยนะก็เลยมาคิดใหมล่ละเนี่ยนะ ขอให้เกรงใจพระพุทธเจ้าเท่านี้หรือครึ่งนี้ก็ไ ด, ด้ดีแน่นอนนะชาตินี้อย่างนั้นนะว่าเอเวลาทําอะไรสักอย่างเคยคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือคิดถึงใครก่อนเ น, น, น, นี่ยนะก็นึกเอาแล้ว ก, ก็รู้เลยว่ามีสารณะมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรเนี่ยน ะ, นะมาบอกอกลัวเขาว่าเขานี่มันเขาไหนไม่รู้อนะอีกในหนึ่งเนีที่พระองค์น้อมจิตไปเพื่อไม่แสดงธรรมเพื่อจะให้พรมนี้อาราธนาบอกว่า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 ผู้เจริญพระธรรมนี้สงบหนอท่านผู้เจริญพระธรรมนี้ประณีตหนอเพราะฉะนั้นเรามาตั้งใจฟังธรรมกันเถอะขนาดพรมยังต้องอาราธนาเชื่อเชิญทูลให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันนี้พอสัตว์เคารพพรมก็เลยน้อมฟังธรรมอันนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนะทีนี้เขาบอกว่าสัตว์ทั้งคำของพรมที่มาอาราธนาบอกข้าแต่พระ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 ท่านแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายผู้สร้างสมบุญเอาไว้แล้วถึงความแก่กล้าแล้วนะเขาได้ทําบุญไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกแล้วเขาเคยให้ทานในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกนะเขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญบุญกิจยาวัตถุสิทธิ์เขาเคยให้ทานเขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญภาวนาเขาเคยมีเวียวัจจะไม้เขาเคยมีความช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบเขาเคยมีความอ่อนน้อมเขาเคย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 เ, เขาเหล่านั้นหวังป ร, ร, รมเทศนาเปรียบเหมือนดอกบัวทั้งหลายปรทุมมชาติหวังแต่แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้เมื่อได้ฟังธรรมเขาก็ควรยั่งลงสู่อริยะภูมิเนี่ยนะถ้าเขาได้ฟังธรรมเทศนาจากพระองค์บรรลุมรผลแทงตลอดอริยสัตว์ไม่ใช่บรรลุองค์สอคนสองคนแต่บรรลุเป็นแสนเนี่ยนะบรรลุทีเป็นแสนอย่างเช่นพระองค์แสดงอะไรพระอะไรนะ ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรบรรลุ18โกะพรมนารถกับสปะชาดกบรรลุ11 000. บหมื่นบรรลุแสดงสูตรอื่นๆอีกบรรลุมากมายคนเหล่านี้นะถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมโอกาสที่เขาบรรลุจะมีไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพรหมก็เลยอาราธนาอัจเชสนังเชื่อชนอ่อนวอนวิงวอนขอร้องอาราธนานีมนต์อยู่สามครั้งด้วยกั น, นงั้นเสร็จแล้วตาม ตามลักษณะของผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ต้องตรวจก่อนนะการที่จะรับงานอะไรแล้วไม่เช็คก่อนเนะี่ยไม่ได้นะตรวจงานเลยนะรับปากเรียเอ้าเขาว่ามาก็รับคํานั้นดีเลยไม่พระพุทธเจ้าก็เลยตรวจดูด้วยพุทธจักสุโดยอินรียะโปรปริยติยานและอาสยานุสยะยานเนี่ยนะก็คือตรวจดูความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยอินดียะโปรปริยติยานตรวจดูอัธยาศัยอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายด้วย อาสยานุสยาม ย, ยานทั้งสองนี้เป็นชื่อของพุทธจักรสุเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้มีดวงจักรสุโดยรอบก็คือสัพพัญยุตยานสมันตจักขคูเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานถ้ า, าธรรมจักรสุหมายถึงโสดาปฏิมักสกทาคามิมักและอนาคามีมักคําว่าจักรสุเนี่ยนะมีมังสะจักรสุไม่ต้องพูดถึงตาตาเนื้อธรรมดาไม่ต้องพูดถึงตาทิพก็ไม่ต้องพูดถึงทีนี้ เรามาพูดถึงเฉพาะอะไรตาปัญญาตาปัญญาคืออะไรพุทธจักสุสมันตะจักสุธรรมะจักสุอันนี้เน้นพิเศษของพระพุทธเจ้านะพุทธจักสุคืออินทรียะโปรปริยติยานและอาสยานุสญยาณสมนตะจักสุคือสัพพัญญุตยานธรรมะจักสุคือมรรคยานสามเบื้องล่างนนทีนี้พระองค์ก็ใช้อนุภาพของพุทธจักสุตรวจดู สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่มีกิเลสดุดทุรีในดวงตาน้อยอ่นะราคะน้อยโทสะโมหะเป็นต้นอ่าน้อยเนี่ยนะหรือผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะนะเรียกว่าคนมีกิเลสน้อยคนไม่มีศรัทธาเรียกว่าคนมีกิเลสมากนะวิธีคิดยังไงนะถ้าอินสี่เอ่อถ้ามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาถ้ามีอินทรี่ห้าเรียกว่าคนมี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 รู้ให้กระวัสุวิญญาปยาก็คือให้รู้แจ้งหรือสอนง่ายแต่ถ้าคนที่ไม่มีอินทรีย์ห้าเลยนี่เหมือนเข้าใจยากนะพูดให้คนไม่มีศรัทธาฟังนี่มันยากพูดให้คนขี้เกียจฟังเลยนะเข้าใจไหมรู้ไม่รู้ทํำไหมเอาไว้ก่อนนะนะเอมามีบางคนที่รู้จักบอกดีไหมโอดีเอาเลยทําไหมไม่ไม่เนี่ยนะก็เจอไม้นี้เข้าไปนี่เงียบเลยนะเขาเจอเข้าแบบเนี้ก็บอกว่าเออสิ่งเหล่านี้มีโทษไหมมี รู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้ละไหมไม่นั่นนะเออให้มันได้อย่างงี้เสียนะหลายๆอย่างนี่มันเป็นอย่างนั้นบอกอา้าวเนี่ยเจริญพุทธานุสติดีไหมดีน่าเจริญไหมน่าเจริญเจริญเลยไหมเอะดูเวลาก่อนงี้ยนั่นนะคืออธิบายได้ต้องผลัดจนได้เนี่ยแหละก็เรียกว่าคนเกียรคร้านอะไรเงี้นคือหลายๆอย่างนี่เป็นอย่างนั้นศึกษาธรรมะดีไหมดีศึกษาเลยไหมเอาไวแ้แก่ๆก่อนข้งนั้นนะ่ะนะ ไม่รู้ว่าเขาแสดงไม่ได้ดูกระจกด้วยยังไงไม่ทราบเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยนะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก็คือคือทุกอย่างก็ยอมรับเล น, นะก็อเออคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันยากจริงๆนะหรือคนที่แบบอะไรพูดหน้าลืมลังพูดซ้ายลืมขวาเรียนต้นชั่วโมงลืมปลายชั่วโมงมเรียนได้จดําไในปลายชั่วโมงลืมต้นชั่วโมงอุ้ยมันอันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะนะแล้วเลือกอะไรก็ไม่ได้จาอะไรก็ไม่ได้ะนะ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 สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารโลก2คือนามโลกโลก3เวทนา3โลก4อาหาร4โลก5อุปาทานขัน5โลก6อายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทีติ7โลก8โลกกระทํา8โลก9อ้าอนัสตาวาต9โลก10อายตนะ10โลก12บสอคืออายตนะ12โลก18คือท่าสิปด